เหตุไรการบริจาคทานจึงเป็นเหตุให้เกิดความร่ำรวยเมื่อเช้าของวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2509หในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังนั่งสมาธิอยู่ได้มีเทพเจ้าองค์หนึ่งมาเข้าทรงขุนสีแผ่นจตุทัศสศีซึ่งในขณะนั้นเขาก็กำลังนั่งสมาธิอยู่หลังข้าพเจ้าเทพเจ้าองค์นี้ เมื่อสมัยอยู่ในโลกมนุษย์เป็นผู้ที่มีอำนาจเมตตาจิตสูงมากแต่เนื่องจากท่านขอร้องไม่ให้เปิดเผยชื่อของท่านเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจที่จะบอกชื่อของท่านได้อันที่จริงในการมาครั้งนี้ท่านได้บอกล่วงหน้ามาหลายวันแล้วว่าท่านจะมาในวันนี้แต่ไม่ได้กำหนดว่าจะมาในเวลาไหนและตามความเข้าใจเดิมของข้าพเจ้าก็คิดว่า ท่านจะมาติดต่อทางสมาธิแต่แล้วท่านก็มาเข้าท่งในขณะที่ข้าพเจ้าและคุณสีเพนกำลังนั่งสมาธิอยู่ในการติดต่อครั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้รู้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เตรียมเครื่องบันทึกเสียงไว้แต่ข้าพเจ้าก็ได้ซักถามาเรื่องราวต่างๆจากท่านจนเป็นที่กระจ่างซึ่งใช้เวลาทั้งหมดเกือบคร่งชั่วโมง เนื่องจากเรื่องที่ข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามท่านเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อคนทั่ ว, วไปและบางเรื่องข้าพเจ้าไม่ได้ถามแต่ท่านก็ได้กรุณาแนะนําสั่งสอนข้าพเจ้าซึ่งทําให้ข้าพเจ้ามีปิติสมบนัดมากและมีกําลังใจในอันที่จะทํางานเผยแพร่ศาสนาต่อไปซึ่งเรื่องต่างๆที่ท่านบอกมานั้นมีดังต่อไปนี้ข้อแรกท่านได้ดูทางชีวิตให้แก่ข้าพเจ้าและบอกว่า งานของข้าพเจ้ามีอุปสรรคมากแต่อุปสรรคทั้งหมดจะสามารถเอาชนะได้ด้วยหลักการข้อเดียวกล่าวคือข้าพเจ้าต้องเป็นคนใจเย็นจะต้องมีความเมตตาและให้อาภาัยแก่คนที่ไม่เห็นด้วยซึ่งเขาจะทำการคัดค้านหรือทำการขัดขวางอย่างไดก็ตามก็ขออย่าได้คิดเป็นอันคาดว่าทำไมคนเหล่านี้จงึงโง่ไม่เข้าใจถึงสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มาก ท่านบอกว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันทุกคนย่อมคิดไปตามวิบาสของตัวคิดไปตามพื้นนิสัยสันดานของตัวเพราะฉะนั้นจะไปหวังให้คนทั้งหลายเห็นด้วยกับเราทุกอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วท่านได้อธิบายหลักวิชาให้ฟังว่าพลังของจิตเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากร่างกายของคนเราเกิดมาได้ก็โดยอาศัยพลังของจิต ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากพลังจิต ท, ทั้งสิน้นคนที่อยู่ในโลกมนุษย์โดยมากมองไม่เห็นอำนาจของพลังอันนี้แต่สำหรับท่านซึ่งอยู่ในโลกของโอปปาติกะท่านรู้จักอำนาจแห่งพลังอันนี้ดีท่านขอร้องว่าให้ข้าพเจ้ามันนึกบ่อยๆว่าทุกอย่างย่อมเกิดมาจากอำนาจภายในท่านบอกว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าเข้าใจดี และเคยปฐกกาถาบ่อยๆท่านเองก็เคยมาฟังหลายครั้งท่านบอกว่าให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องนี้บ่อยๆแล้วในที่สุดจะทำให้เป็นคนใจเย็นมีเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างกว้างขวางและลึกซึง้งแล้วท่านได้อธิบายว่าในขณะที่คนเรามีความนึกคิดจะมีพลังออกมาจากตัวเรา และในเมื่อพลังอันนั้นประกอบไปด้วยความเมตตากรุณาเมื่อเข้าไปใกล้ใครพลังแห่งความเมตตากรุณานี้ก็จะไปดึงเอาพลังแห่งความเมตตากรุณาออกมาจากคนคนนั้นซึ่งจะออกมาได้มากน้อยแค่ไหนย่อมขึ้นอยู่กับอำนาจจิตของเราและพื้นฐานแห่งความเมตตาที่มีอยู่ในคนนั้นนั้นและอีกอย่างหนึ่งแม้เราจะไม่ได้ไปหาใคร หรือไม่มีใครมาหาเราก็ตามแต่พลังแห่งอำนาจจิตจากตัวเราก็จะแผ่ออกไปเสมอถ้ายิ่งเราเป็นคนที่มีอำนาจ จ, จิตสูงพลังอันนี้ก็แผ่ไปได้ไกลมากและพลังเหล่านี้ก็จะไปดึงดูดเอาพลังแห่งความเมตตาออกมาจากคนที่ได้รับกระแสจากเราซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่ว่านี้เป็นไปโดยอัตโนมัติเป็นไปโดยไม่รู้สึกตัวกระแสแห่งพลังต่างๆเหล่านี้ ผู้ที่อยู่ในโลกของโอปปาติกะอย่างท่านมองเห็นได้ชัดเพราะพลังที่ว่านี้มีรัศมีซึ่งมีสีต่างๆเป็นไปตามพื้นแห่งความรู้สึกหรือเป็นไปตามวิบากของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในใจเรามีความโกรธหรือมีความเกลียดใครก็ตามกระแสแห่งความรู้สึกอันนี้ก็จะไปดึงเอาความเกลียดออกมาจากคนอื่นด้วย เช่นเราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเห็นใครหน้าบึง้งเราก็มักจะไม่ชอบหรือบางทีก็หน้าบึ้งขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเห็นใครหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเราก็พลอยแจ่มใสไปด้วยและถ้าใครมีความไม่บริสุทธิ์ใจต่อเราเราก็มักจะรู้สึกไม่ไว้ใจคนคนนั้นโดยปกติมักจะเป็นเช่นนี้แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้าง ที่มีข้อยกเว้นนี้เป็นเพราะว่าในขณะนั้นใจของเราไม่เป็นกลางกําลังเปหมกมุ่นหรือไปติดอยู่กับความคิดอันใดอันหนึ่งจึงไม่หาจที่จะรับความรู้สึกหรือรับกระแสจิตจากคนทั้งหลายได้อย่างตรงไปตรงมาแต่อย่างไรก็ตามท่านบอกว่าถ้าหากเราเหมั่นนั่งสมาธิอยู่เสมอซึ่งย่อมจะทำให้พลังจิตมีอำนาจแรงขึ้น และในเมื่อพลังจิตอันนี้ประกอบไปด้วยความเมตตากรุณาที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างลึกซึ้งก็ย่อมมีทางที่จะเอาชนะจิตใจของคนอื่นได้ง่ายกล่าวคือจะทำให้คนอื่นเกิดความเมตตาปราณีต่อเราด้วยเมื่อข้าพเจ้าได้ฟังคําอธิบายจากท่านเช่นนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดปีติมาก เพราะทำให้ข้าพเจ้ามองเห็นความจริงแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อีกหลายอย่างทำให้เกิดศรัทธาประสาทะต่อคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปูชโกและพะเตปูชังวันทะโกปฏิวันทนังผู้บูชาเขายอมได้บูชาตอบผู้ไหว้ ย, ยอมได้ไหว้ตอบนอกจากทำข้อนี้แล้ว ยังทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสว่างในธรรมข้ออื่นๆขึ้นมาอีกมากมายโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็คือทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจเหตุผลขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าเพราะเหตุไรการบริจาคทานจึงเป็นเหตุให้เกิดความร่ำรวยได้สำหรับในเรื่องการบริจาคทานนี้ถ้าท่านเข้าใจหลักที่กล่าวมาในตอนต้นแล้วท่านก็จะเห็นด้วยทุกอย่างกับคาสอนของพระพุทธเจ้า ขอได้โปรดจำไว้อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าใครที่จะได้ชื่อว่าเป็นคนร่ำรวยไม่ว่าจะโดยอาชีพใดๆก็ตามมีหลักตายตัวอีกอย่างหนึ่งว่าเรามีคนอื่นเต็มใจช่วยสร้างความร่ำรวยให้เช่นเศรษฐีชาวนาจะร่ำรวยได้ก็เพราะคนที่ทำนาให้มีจำนวนมากและส่วนมากก็ซื่อสัตย์ต่อเศรษฐีมีความเคารพมีความเต็มใจรับใช้ซึ่งบางคน แม้ว่าเศรษฐีจะไม่ค่อยให้อะไรเขาก็ยังเต็มใจรับใช้หรือยินดีทำประโยชน์ให้สำหรับในกรณีอย่างนี้ขอให้ดูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และท่านจะเห็นความจริงข้อนี้ในที่นี้บทความเขียนไว้พศส2509นนะครับประชาชนทั้งหลายไม่เฉพาะแต่ในเมืองไทยเมื่อได้เห็นในหลวงของเรา ทุกคนมีความชื่นชมยินดีและทุกคนก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าหากมีสิ่งใดที่เราจะช่วยเหลือในหลวงได้เราเต็มใจอย่างยิ่งที่สุดคนที่มีบุญย่อมมีลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเป็นคนค้าขายหรือว่าเป็นชาวสวนเป็นข้าราชการหรือจะมีฐานะเป็นคนรับจ้างก็ตามถ้าหากว่าไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน มีคนรักใคร่เมตายินดีให้ความช่วยเหลือเราย่อมไม่ยากจนอย่างน้อยที่สุดก็พอมีพอกินไม่ถึงกับเดือดร้อนมายเหตุผู้อ่านในเรื่องของในหลวงรัชกาลที่9นั้นในปัจจุบันประชาชนก็แบ่งเป็นสองฝ่ายนะครับคือฝ่ายหนึ่งก็รักเทิดทูนและศรัทธาท่านมาก ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็โจมตีและมองท่านในแง่ลบส่วนตัวแล้วมองตามจริงว่าทุกคนก็หวังดีกับชาติบ้านเมืองทั้งนั้นแต่เลือกที่จะรักหรือจะเกลียดตามข้อมูลที่ปรากฏให้ตนได้เห็นซึ่งเรื่องนี้ก็อยากให้รอบครอบและพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับให้ดูว่าทำไมพระอาริยะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งนักปฏิบัติธรรมที่ถูกทางจริงต่างมั่นใจว่าท่านเป็นพระดีพระแท้หลายท่านนั้น ทำไมถึงสรรเสริญชื่นชมในหลวงร้อก้าวอย่างมากแนะนำให้ลองอ่านจากหนังสือคำอริยะถึงในหลวงเพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจอีกด้านหนึ่งนะครับส่วนตัวแล้วเคยมีโอกาสได้รับเสด็จในสมัยปลายรัชการก็รู้สึกจริงๆนะครับว่ามีพลังบางอย่างที่รุนแรงแผ่ออกมาจากท่านจริงๆในที่นี้อาจารย์พรท่านน่าจะหมายถึงคนที่ได้อยู่ใกล้ได้สัมผัสก็จะรับพลังเหล่านี้ได้ กระแสแห่งเมตตาย่อมดึงดูดพลังแห่งเมตตาออกมาทําให้ผู้คนรอบข้างที่อยู่ใกล้ท่านรู้สึกดีรู้สึกอยากทําอะไรให้ท่านหลายเรื่องนะครับที่เป็นความสัมพันธ์ทางหลักกรรมไม่ใช่ว่าคนรักใครจะเกิดเพราะความโง่หรือความงมงายแต่เป็นเพราะพลังด้านเดียวกันจูนเข้าหากันได้โดยง่ายซึ่งหลายคนเห็นแต่รูปเห็นแต่ในทีวี ก็ไม่อาจรับพลังเหล่านี้ได้จึงไม่รู้สึกศรัทธาหรือเกิดความรักชื่นชมในตัวท่านอีกตัวอย่างที่เจอมานกับตัวเองก็คราวไปกราบหลวงตาพระมหาบัวก่อนมีโอกาสไปที่วัดท่านนั้นได้เห็นรูปได้ฟังเสียงท่านเทศโดยเฉพาะคราวที่ท่านดูสิทธ์อย่างรุนแรงหรือใช้ภาษาไม่สุภาพซึ่งความจริงเป็นการสั่งสอนเฉพาะบุคคลสิทหัวดื้อบางคนนั้น บางครั้งก็ต้องกำราบด้วยกุศโลบายที่แยบขายและเป็นของเฉพาะตนแต่กับคนที่เหมาะสมท่านก็พูดเพราะพูดปกติซึ่งสมัยนั้นตัวผมเองก็แอนตี้ท่านปรามาท่านเช่นกันจนครั้งหนึ่งเมื่อได้มีโอกาสไปฟังท่านเทศต่อหน้าก็พบความจริงนะครับว่าพลังแห่งเมตตาที่ท่านแผ่ออกมานั้นทำใหเรารู้สึกรักและเคารพท่านมากแล้วรู้สึกว่าท่านใจดีมาก ซึ่งพลังเหล่านี้ยิ่งอยู่ใกล้ก็จะยิ่งสัมผัสได้ง่ายเปรียบเทียบแล้วความรู้สึกสมัยก่อนที่ยังไม่เจอตัวท่านจริงความรู้สึกถึงตัวท่านก็แตกต่างกันอย่างมากกับคราวที่ได้เจอท่านต่อหน้านะครับตามหลักของการให้ทานที่จะนับว่าเป็นกุศลได้ ก็ต่อเมื่อผู้ให้เต็มใจให้ไม่หวังผลตอบแทนให้เพื่อเป็นการสงเคราะห์หรือเพื่อเป็นการบูชาจริงๆในเมื่อเราสามารถทำอย่างนี้ได้แน่นอนเละเกินว่าทุกๆขณะที่เรากระทำนั้นเราได้สร้างพลังแห่งความเมตตาลงในสันดานซึ่งต่อมาจะมีผลเรียกร้องให้คนอื่นมีความเมตตาต่อเราโดยอัตโนมัติอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วและด้วยเหตุนี้เอง คนที่ยากจนแต่ก็ยังอุตส่าห์ทาบุญซึ่งตัวเองยอมลำบากเพื่อให้คนอื่นๆมีความสุขสิ่งของที่ให้นั้นแม้จะเล็กน้อยราคาถูกแต่น้ำใจของเขายิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นทานของเขาย่อมจะต้องมีอนิสงส์มากกว่าเสียฐีที่ทําบุญเพียงเอาหน้าหรือว่าทำศักต่วธาทำเพราะคนประเภทนี้ส่วนมากหากตัวเองจะต้องลาบากเพราะการให้แล้วเขาไม่กล้าให้ ขอให้สังเกตว่าถ้าหากเราเพียงแต่นึกอยู่ในใจยังไม่มีการกระทำออกมาถึงแม้ความคิดอันนั้นจะเป็นความคิดที่ประกอบไปด้วยความเมตตาซึ่งแน่นอนเมื่อเราคิดบ่อยๆก็ย่อมสร้างพลังแห่งความเมตตาให้เกิดขึ้นในสันดานซึ่งก็ย่อมจะมีผลเหมือนกันแต่ถ้าหากเราไม่เพียงแต่คิดเรากระทาด้วยเมื่อทาได้เช่นนี้ พลังแห่งความเมตตาย่อมจะสูงกว่าหรือเข้มข้นกว่าด้วยเหตุนี้การบริจาคซึ่งหมายถึงการให้ด้วยความเมตตากรุณาหรือให้ด้วยการบูชานั้นย่อมจะต้องมีอนิสงส์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แน่นอนเขาได้โปรดนึกต่อไปให้ไกลอีกว่าในเมื่อคนอย่างเราซึ่งยังมีกิเลส และยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดและพลังแห่งความเมตตาที่สะสมเอาไว้นั้นก็ย่อมจะสืบต่อไปถึงชาติหน้าเพราะฉะนั้นท่านย่อมจะเห็นว่าถ้าเรามีเงินแล้วเก็บไม่คิดทำบุญเลยเราก็อาจร่ำรวยในชาตินี้ในเมื่อเราเป็นคนขยันและฉลาดในเรื่องการทำมาหากินแต่ในเมื่อเราเป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่มีจิต ท, ที่คิดจะทําประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเลยนั้นข้าพเจ้าคิดว่าในชา ต, ติต่อไปเห็นทีจะลําบากเพราะคนที่มีแล้วเก็บนั้นเขาได้สะสมพลังแห่งความเห็นแก่ตัวมากขึ้นโดยลําดับซึ่งมันจะมีผลทําให้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมาบ้างหรืออย่างน้อยก็ไม่อยากที่จะคิดช่วยเหลืออะไรแต่ตรงกันข้าม ถ้าคนไหนยิ่งมีเงินมากก็ยิ่งให้มากไม่เสียดายเลยอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วเป็นเต็มใจให้เสมอสำหรับบุคคลประเภทนี้แน่นอนเหลือเกินว่าเขาจะไม่ประสบกับความยากจนไปทุกทุกชาติตราบใดที่เขามีละทิ้งจากการบริจาคแต่อย่างไรก็ดีคนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดอย่างหนึ่งว่าการบริจาคทานอย่างเดียว ความดีอย่างอื่นไม่ทำก็สามารถทำให้ร่ำรวยได้ซึ่งความจริงคนที่เข้าใจเช่นนี้เป็นผู้ที่เข้าใจผิดเพราะโดยความเป็นจริงไม่ว่าผลอย่างใดจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องเนื่องมาจากเหตุหลายอย่างเช่นอย่างต้นไม้ดินอย่างเดียวหรือว่าน้ำอย่างเดียวทำให้ต้นไม้เกิดมาไม่ได้ต้องอาศัยเหตุหลายอย่าง ขอให้เราสังเกตอย่างนี้เมื่อเราไปพบเด็กบางคนที่เป็นเด็กยากจนแต่ท่าทางเป็นคนฉลาดเป็นคนซื่อเป็นคนขยันเป็นคนเอาทานเราจะเกิดความเมตตามากกว่าเด็กบางคนที่มีหน้าตาไม่แสดงถึงความฉลาดหรือมีท่าทางทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนขี้เกียจแม้ว่าเด็กทั้งสองนี้จะมีลักษณะเหมือนกันอย่างหนึ่งคือเป็นคนมีความเมตตาไม่เอาเปรียบใคร มีของกินหรือของเล่นก็ชอบแบ่งให้คนอื่นเสมอก็ตามจากตัวอย่างที่เล่ามาให้ฟังนี้ท่านจะเห็นแล้วว่าคนที่มีความดีอยู่ในตัวหลายอย่างย่อมจะเรียกร้องให้คนอื่นเกิดความเมตตาปราณีได้มากกว่าคนที่มีความดีอยู่ในตัวเพียงเล็กน้อยพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าคนที่จะร่ำรวยได้นั้นจะต้องมีความดีเหล่านี้ด้วย คือเป็นคนขยันในการศึกษาเล่าเรียนและในการประกอบอาชีพ 2. เป็นคนรู้จักรักษาสมบัติที่หามาได้มิให้เกิดความเสียหาย 3. เป็นคนรู้จักใช้รู้จักจ่ายไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟือยหมายเหตุหลักข้อนี้ก็ตรงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือกินใช้สมฐานะไม่ใช่สมถะประหยัดสุดโต่งนะครับสคบแต่คนดีไม่คบคนชั่วหลักต่างๆดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้นี้เป็นสิ่งจำเป็นเราจะมัวแต่บริจาคทานอย่างเดียวความดีอย่างอื่นดังที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี้ไม่ทำแม้ในชาติก่อน จะมีบุญมาสักเพียงไรก็ตามถ้าหากไม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะร่ำรวยได้แต่สำหรับคนบางคนที่มองเห็นความจริงแต่ในแง่นี้ไม่เข้าใจถึงอำนาจแห่งบุญกุศลในชาติก่อนก็มักจะเชื่อแต่เพียงว่าถ้าเรามีความรู้มีความขยันในการประกอบอาชีพและทาความดีต่าง เราก็คงจะร่ำรวยได้แต่ข้อเท็จจริงที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนั้นปรากฏว่าคนที่ขยันและมีความรู้ประกอบแต่กรรมสุจริตอยู่เสมอแต่ก็ยังยากจนอยู่นั่นเองบุคคลเช่นนี้มีอยู่ไม่น้อยเพราะฉะนั้นเราจะมานึกแต่ในแง่ปัจจุบันอย่างเดียวไม่นึกถึงบุญกุศลในอดีตด้วยไม่ได้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 ก็จะต้องสะสมมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จะต้องให้ผลนานหรือให้ผลมากกว่าคนที่ทำความชั่วน้อยเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงผิดว่าทำดีแล้วจะไม่ได้ดีทำชั่วอาจจะได้ดีก็ได้สำหรับคนที่มีเงินแต่ใจต่ำซึ่งมองดูแล้วไม่สมกับเหตุผลที่ว่าเมื่อชาติก่อนเขาเป็นคนใจบุญ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 ความดีที่มีอยู่เหนียวรั้งเอาไว้ไม่ได้ทั้งๆที่เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีเงินเป็นคนสุภาพอ่อนโยนบีเมตตาการุณาคนทุกวันนี้ที่เสียกันมักจะเป็นเพราะเหตุนี้มากกว่าขอได้โปรดจำไว้ให้แม่นทีเดียวว่าถ้าคนไหนสันดานไม่ดีมาตั้งแต่เกิดเห็นแกตัวมาตั้งแต่เกิดรับรองได้ทีเดียวว่า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 ฉนั้นจึงยึดถือผิดว่าคนมั่งมีจะต้องเป็นคนโกงเสมอ